วิธีอับพานและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงอับพานอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกระผมนั้นขอปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงสงได้ให้ปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแกกระผม กระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแกกระผมกระผมนั้นประพฤตมานัดแล้วขออับพานกับสง์ พึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุธกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียว ภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาดวันเดียวเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงส่งได้ให้ปริวาดวันเดียวเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแ ก, ภก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาดแล้ว ขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแกภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วขออภานกับสงฆ์ ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงอับพานภิกษุอุทายีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพาเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิ ปิดไว้วันเดียวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วขออับพานกับสงฆ์สงฆ์อับพานภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการอับพานภิกษุอุทายี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 สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้